คำแต่งตั้งตนเพื่อถามอันตรายยะกธรรมภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ทรงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปิกขาของท่านผู้มีชื่อนี้ถ้าสงพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าพึงถามอันตรา ย, ยิกธรรมกับผู้มีชื่อนี้ดังนี้แน่ผู้มีชื่อนี้เจ้าฟังนะนี่เป็นการสัตย์ การจริงของเจ้าเราจะถามสิ่งที่เกิดสิ่งที่มีพึงบอกว่ามีไม่มีก็พึงบอกว่าไม่มีอาภาธชนิดของเจ้ามีอยู่หรือคือโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคลอดโรคลมบ้าหมูเจ้าเป็นมนุษย์หรือเจ้าเป็นชายหรือเจ้าเป็นไทยหรือเจ้าไม่มีนี่หรือเจ้าไม่ใช่ราชพัฒหรือมารดาบิดาอนุญาตเจ้าแล้วหรือ เจ้ามีอายุครบ20ปีหรือบาทและจีวรของเจ้ามีครบแล้วหรือเจ้าชื่ออะไรอุปชาของเจ้าชื่ออะไร